เช่นให้พ่อให้แม่ให้ให้คนที่เราจําเป็นต้องให้ถ้าไม่ให้ถือว่าเสียเลยอะ่ะเป็นเป็นเครียกว่าศีลประเภทจารีตศีลที่จะต้องไปประพฤติเข้าไปะนะการให้พ่อให้แม่หรือให้แบบปรารถจารีตเนี่ยเช่นตระกูลเรามันต้องให้ทานไม่ให้ทานไม่ได้อันนี้นี่เป็นลักษณะของเป็นศีลนะไม่ใช่ทานนี่นะที่เรียกว่าวัดเนี่ยมาจากคําว่าวัดเนี่ย หรืออีกศัพท์หนึ่งก็คือจารีตเนี่ยปรารบจารีตปรารพวัดเมื่อไหร่การให้อันนั้นเป็นศีลจะไม่ใช่ทานนะออน่นนะปรารบทั้งทานทั้งศีลนพร้อมกันเลยเอาไม่ได้เจตนาเกิดทีละอย่าง แต่ว่าอาจจะปรารบพร้อมกันหลายๆอย่างก็ได้ก็เราให้คนนี้นะคนนี้เขาอาจจะได้ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรต่อไปนะเราก็ได้เท่ากับให้คนนี้เท่ากับปันคนอื่นไปด้วยในตัวแล้วนะโดยยกคนนี้ขึ้นมาเป็นหลักเนี่ยนะที่จริงอะ่ะเราต้องการให้คนอื่นด้วยที่จริงอะ่ะสมมติว่าเราให้วัตถุหนึ่งอย่างแก่หนึ่งคนเนี่ยนะเรารู้ว่าคนนี้ถ้าได้แล้วต้องไปเอาไปแจกคนอื่นอื่นอีก จริงๆเราอยากจะแจกทุกคนนั่นแหละแต่เราไม่พร้อมที่จะไปแจกไอ้คนอื่นๆนะแต่คนนี้ในฐานะเราจะต้องอถ้าเป็นพระเนี่ยนะยกตัวอย่างพระเนี่ยง่ายสมมติคนที่หนึ่งเนี่ยเป็นอาจารย์ที่จริงเราจะอยากจะแจกเพื่อนเราทั้งหมดทุกคนนะนะให้เพื่อนนี้เป็นทานใช่ไหมให้อาจารย์นี้เป็นศีลก็บอกเอ้ถ้าเราจะแจกคือถ้าจะไปให้เพื่อนเลยก็มันอาจจะ หลายๆอย่างเหตุผลอาจจะไม่พร้อมแต่เราต้องการให้เพื่อน s <S อ่ะแต่ว่าถือว่าถวายอาจารย์เพราะยังไงอาจารย์ก็ต้องไปแจกเพื่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วต้องการให้เพื่อนไม่ได้ให้อาจารย์แต่ว่าให้ผ่านมืออาจารย์ให้ทีนึงไอ้ส่วนหนึ่งก็ให้อาจารย์ด้วยส่วนหนึ่งก็ฝากเพื่อนด้วยไอ้ส่วนที่ให้อาจารย์ตรงนั้นเป็นเป็นศีลที่เป็นจารีตส่วนที่ต้องการให้เพื่อนอ่ะตรงนั้นอ่ะเป็นทานเห็นไหมคือคือวัตถุปริมาณที่มากนะแต่ก็คนละเจตนาอีกนั่นแหละ เดนะเพราะเพราะของที่จะจับเฉลี่ยอย่างนี้ได้ถ้าสมมติว่าหนึ่งสองสามสี่อย่างน้อยวัตถุนั้นต้องหารสีได้ใช่ั้มแสดงว่าคนละเจตนาละแสดงว่าถ้าเป็นผ้าต้องมีสีชิ้นถ้าเป็นขนมก็ต้องมีสีก้อนหรือสิ่งนั้นสามารถหารสีได้ผ่าเป็นสีได้แสดงว่าคิดหารในใจเบดเสร็จแล้วถือว่าคนละเจตนาถ้าเป็นสีก้อนนะสมมติว่าเป็นสี่ชิ้นอย่างงี้ถ้าเป็นขนม เค้กอย่างเงี้ยนะสี่ชิ้นก็ชิ้นที่หนึ่งเป็นศีลชิ้นที่สองสามเป็นทานก็ว่าไปตามนะแต่ถ้าต้องการแบบให้อาจารย์ทั้งหมดเลยแล้วแต่อาจารย์ถ้าอย่างนี้ศีลอย่างเดียวอย่างเวลานี้ที่เอาของไปถวายในหลวงโดยมีเจตนาที่จะไปให้กับคนถูกน้ำท่วมจะผ่านมือท่านทีผ่านมือท่า น, านก็อันนี้ก็ถือว่าเป็น ทั้ศีลเป็นโดยทั่วๆไปเป็นทานกุศลทั้งหมดเพราะว่าเจตนาจ ร, จริงๆไม่รู้จะให้ในหลวงหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าคื อ, ค, อคือองค์ประกอบเนี่ยนะคนคนที่ให้เนี่ยความคิดของคนเนี่ยมันไม่มีอะไรจะซับซ้อนเท่ากับความคิดของคนอีกแล้วเพราะบางคนจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้ต้องการให้ตรงนั้นจริงๆเราต้องการซื้อเข็มเนี่ยนะเป็นวิธีซื้อเข็มอีกชนิดหนึ่งเนี่ยนะที่จะต้องแบบ วิธีซื้อขายที่ทประหลาดเหมือนนเถอะอคจิตเนี่ยมันจะต้องว่าเป็นรายคนไปนะแม้กระทั่งการให้เช่นว่าให้ข้าวสุนัขแล้วมันจะได้เฝ้าบ้านให้เราอันนี้ไม่ใช่ทานเห็นไหมเวลาวันบาก็สมเติว่าออให้ข้าวมันกินหน่อยนะมันแล้วก็ดูแลบ้านให้เราดีทางนั้นใครที่มีลูกน้องจ่ายเงินลูกน้องเยอะๆคนนั้นก็มาหาหาทานนี่ใช่ไหมไม่ใช่หรอก นะ น, นแต่เขาก็ควรจะดูแลเราบ้างเก็วจะแบ้าง่าาเข า, เ า, เาก็ควจจะมาบ้างต่าวรตาาูแเา้างตเาก็ควลูแล้กลาาา็ลเนนี้าแต่เขาก็ควรจะดูแลเราบ้างากว่เามองใน่เาระแเ้างต่นขาก็อจะางแต่เขาก็คือลเป็นทาน่เปา็นวลเราบา่เกากคนะูคลเราบา่าก็ควจะแเรียง่ก็คว่าเาบีาง่เข็รจะแลา่มีกวัจะดเร่าจะตล้องแ่เจะลเรา้ยงลูก คือถ้าโดยโดยลาพังนะถ้ามองในแง่ความเป็นหนี้มองโดยความคำว่าหนี้เนี่ยนะก็คือมีเจ้ากับมีลูกใช่ัหมเจ้าหนี้กับลูกหนี้พ่อแม่ในฐานะเจ้าหนี้ลูกหลานในฐานะลูกหนี้เพราะฉะนั้นพ่อแม่เวลาให้เนี่ยคือให้กู้ทุกครั้งที่ให้คือให้กู้ทั้งนั้นส่วนลูกอะ่ะรับเมื่อไหร่ก็คือเท่ากับกู้ทครั้งที่รับ มันมันมั น, ม, นมันองค์ประกอบแบบนี้ถ้าตั้งคำถามว่าถ้าลูกใช้คืนเนี่ยมันเป็นวัดที่จะต้องทำคืนใช่ไหมแต่ว่าไอาการให้เนี่ยบางคนก็าอาจจะปรารบว่าการให้นี่เป็นมงคลก็ได้นะ ก, ก็เป็นการให้ไปแต่ถ้าแยกตามมงคลนะการสงเคราะห์บุตรลูกหลานเป็นต้นก็อีกหนึ่งมงคลซึ่งต่างจากทานนันจะต่างจากคนคำว่าทานทั่ ว, วไปนะก็สงเคราะห์เป็นวัดก็ได้แต่ว่ามันเป็นวัดที่ ไม่ใช่เป็นศีลตรงๆเล ย, ย, ย ก, ก, บย ก, กบ็บุญน้อยบุญมา ก, ก น, นะนะอยู่ที่ว่าถ้าให้คนอื่นกัให้ลูกเราเนี่ยสองคนเนี่ยใครมีศีลกว่ากันตัววัตถุเหล่านั้นสองคนเนี่ยเป็นประมาณและอย่างที่ต่อไปก็คือ กิเลสเราเนี่ยอันไหนมีกําลังกับกันถ้ากิเลสมีกําลังกับวัตถุไหนก็ในวัตถุนั้นก็บุญก็ไม่ค่อยมากเช่นไม่ค่อยชอบอันนั้นโทสะชอบไอ้คนนี้กับโลภเพราะงการให้ก็ก็ให้เพื่อสนองโลภบุญก็กําลังไม่มากนักก็โลภนําหน้าสูงมันก็เจตนาเบื้องหน้าเบื้องหลังก่อนให้หลังให้ตัวนั้นเนี่ยจะเป็นตัววิเคราะห์ว่ากุศลจิตเนี่ยจะดีจะสูงจะต่ําจะเลวจะอะไรก็อยู่ที่ตรงนั้น อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งนะการวิเคราะห์ก็ด้วยอํนนานาจว่าศรัท ธ, ธามีกําลังมากไหมศรัทธาเฮรตมีกําลังมากไหมโอตา ป, ปะนะเขาเอาอินทรีย์ทั้งหลายเป็นเครื่องวัดหรือเอาฉันทาวิริยะเอาตัวจิตหรือเอาปัญญาเนี่ยเกิดร่วมมีความสามารถขนาดไหนเพราะว่าการให้ทานในในกิจกรรมเดียวกันไม่ได้มีผลเหมือนกันไม่ได้มีผลเท่ากันให้กับหนึ่งคนก็ตามเอา เช่นว่าทุกคนไปเอาดอกไม้ไปบูชาพระเจดีเนี่ยนะไปหนึ่งรอยคนดอกไม้ชนิดเดียวกันหมดอะไรเดียวกันหมดถามว่าจะได้บุญเท่ากันไหมพระผู้ที่ถูกบูชาคือพระผูเท่เจ้าเหมือนกันบุญจะไม่เท่ากันเพราะหนึ่งปัญญาแตกต่างกันสองเจตนามาก็แตกต่างกันตัวศรัทธาที่มีกําลังเป็นต้นก็ก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นผลก็แตกต่างกัน เพืนถ้าถ้ากรร ม, มวิปากยานของพระพุทธเจ้าจะรู้เลยว่าทําบุญกิจกรรมร่วมกันหนึ่งครั้งอะ่ะคนนี้ให้ผลแค่ประวตะคือคือไม่สามารถให้ผลนําเกิดได้เพราะว่าที่ทํานี่กําลังมันน้อยเหลือเกินไม่สามารถนําเกิดได้สมมุติเลยอีกคนเนี่ยนำเกิดได้แต่ว่านําเกิดได้แค่มนุษย์อีกคนบอกนําเกิดได้แช่พรมเทพเนี่ยนะที่ต่างๆบางคนเนี่ถึงจ่าตม บางคนให้เป็นดาวดึงยามาดุสิตนิมมานารดีบางพวงนี่จะนําปฏิสนธิแบบทวิเหตุบางพวงนี่นําปฏิสนธิแบบติเหตอย่างเงี้ยนะบางพวกนี้ตัวนี่จะนําเกิดว่าดาวดึงเหมือนกอัก น, น, นกอีกคนนี่ฐานะลูกพี่คนนี้ฐานะลูกน้องอีกคนนี้ฐานะบริวารอย่างเงี้ยนะอีคนนี้ฐานะคนชายเนี่ยมันจะจําแนกพระองค์จะรู้ทั้งหมดเลยเพราะองค์ประกอบคือตัวเจตนาอันนั้นมันไม่เท่ากันอย่างเงี้ยไม่เท่ากัน <c oughs> ทวนอีกครั้งว่าที่เราจะวิเคราะห์ได้ว่ากิจกรรมในครั้งนั้นเป็นกุศลหรือไม่เอาที่บุญกิริยาวัตถุเป็นเครื่องวัดว่าเป็นไปกับทานไหมศีลไหมภาวนาไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะถามวิธีบอกว่าอยากอย า, อยาปฏิบัติธรรมเหลือเกินเนี่ยนะจะทํายังไงบอกเวลาเห็นเนี่ยทำยังไงจะคิดทานศีลภาวนาได้หรืเวลาได้ยินเนี่ยคิดทานศีลภาวนาได้ถ้าเจริญอย่างนี้ได้ก็เจริญบุญได้ บุญก็ย่อมเจริญแก่คนชนิดนี้นะนะแต่ก็มีในคำพิภพพูดถึงว่าทําบุญประเภทไหนที่มันได้บุญเรื่อยเลยกบุญประเภทบอ่อน้ำเนี่ยนะสมมติมทําบ่อน้ําทีใครตักกินทีก็ปลื้มใจที่ตักกินทีกกนทปลื้มทีอย่างงี้นะหรือคื อ, ค, อคือบุญประเภทเนี้ยบุญประเภทสาธารณกุศลเนี่ยพวกนี้จะเรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งความดีใจไ ด, ได้ได้นานได้เรื่อยๆเนี่ยนะเช่นตะกลุ่มเนี่ยบ่บอ่บอน้ํากลุ่มสะพานกลุ่ม ที่พักอาศัยของบุคคลทั่วๆไปอ่ะกลุ่มนี้จะจะเป็นกุศลที่เหมือนกับทาอยู่ตลอดเพราะอะไรเพราะรู้ว่าเข้ามาใช้บริการทีก็ดีใจทีเขาใช้บริการทีก็ดีใจทีลักษณะนี้นะบุญประเภทนี้จะเป็นเหมือนกับบุญที่ที่ทำได้ยาวได้ตลอดเนี่ยนะมันก็เขามีจึงมีคนที่มีฉันทะมากถ้าทำโบสถ์้ันเอาทำอย่างอื่นไม่เอาเนี่ย บุญนหลากหลายมากบางคนเนี่ยถ้าซุ้มประตูเนี่เมื่อไหร่ก็บอกได้แต่ถ้าเป็นกุฏิไม่เอาเนะเอาแต่ซุ้มอย่างนี้น อ, น อ, อ า, าใช่บางคนไม่ได้อาหารอย่างเดียวกี่หม้อ ก, ก็ได้บอกกุฏิเอ้ไม่เอาอ่ออาบางคนเนี่ยถ้ากุฏิน่ต้องให้ชื่อชั้นได้ไหมทำไมให้ชื่อให้ชื่อไม่ได้ฉันก็ไม่ทาอ่ะอันนั้นก็บางคนบอกต้องประกาศเชื่อนะไม่อย่างชอบโยมคนหนึ่งเลยก็บอกว่า ผู้ประสงค์ก็สำนวนว่าผู้ประสงค์ออกทรัพย์แต่ว่าไม่ประสงค์ออกชื่อคนหนึ่งบอกว่าประสงค์ออกชื่อแต่ไม่ประสงค์ออกทรับประมาณนั้นก็มีหลายกลุ่มเนี่ยนะแล้วก็ไออีกคนหนึ่งไอกลุ่มที่ออกออกซั์ไปแล้วแล้วก็อยากออกชื่อด้วยเขาก็บอกว่าเอ๊ะคุณจะไปไห้เข้าประกาศชื่อทําอะไรถามว่าทำไมเขาถามแบบนั้นเขาบอกว่าบุญคุณก็ได้ไปแล้วยังจะเอาชื่ออีกประมาณั้น อา้าวตอนให้มันก็เป็นบุญไปแล้วใช่ไหม ย, ยังให้เขาประกาศชื่ออีกจะเอาชื่ออีกกันเอาชื่อนี้โดยมากมันเอาโลภะใช่ไหมไอตัวที่ให้จริงๆอ่ะเป็นตัวบุญ สังขาริให้กับืนดบ้างเรถพยาบาลี้ให้เขียนไว้เลยีบริจาคนี้นะจะได้เป็นเยี่ยงอย่างเป็นตัวอย่างให้ให้กับคนอื่นๆด้วยมีแต่ว่าก็มีคนกลุ่มที่ไม่ชอบแบบนั้นอีกเหมือนกันบอกว่าโหมันทำไมมันป้ายมันเกลกไปขนาดนั้นเนี่ยอ่านแต่ป้ายี่กเวยนหัวแล้วเหมนกันก็นี่คือให้เห็นว่าอัธยาศัยเนี่ยวิจิตจริงๆแต่ว่า ของขามาโดยมากมาคบกับกลุ่มคนที่ไม่ค่อยเอ่ยชื่อเลยที่เท่าที่รู้จักมาเนี่ยนะว่าเขาทำอะไรโดยมากนะไม่ค่อยบอกชื่อว่าเขาทำเลยอุทิศให้ญติบอกว่าอุทิศให้ใครอุทิศให้ใคร่ไม่ใส่เารู้สึกามันขาดอะไรบงอย่างก็บางทีบางทีอ่ะไม่ได้อยู่ที่คนทำหรอก มันอยู่ที่เจ้าของโครงการที่จะทำเนี่ยนะว่าถ้าใส่ชื่อเนี่ยคนจะบริจาคเพิ่มมากขึ้นะนะเพราะบางคนนี่ถ้ามันเห็นเหมือนกับมีอะไรแปะอยู่ในนั้นเขายินดีจะให้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะอยู่ที่เจ้าของโครงการที่มาผู้บริจาคหรอกโดยมากไนหะอยู่อย่างนั้น้รยมีนีนด ตัวจริงๆแล้วผู้ที่เจ้าของโครงการจะสร้างสิ่งนั้นเพราะปกตินะพวกนี้จะอันนี้ผู้ธรรมดานะจะมีเจ้าของโครงการอยู่ในนั้นคิดวิธีว่าทำยังไงจะมีคนมาร่วมทีนี้แรงจูงใจวิธีหนึ่งก็คือการหารายชื่อการใส่ชื่อไว้ให้เขาไว้ในนั้นนี่ก็เป็นวิธีจูงใจอย่างหนึ่งให้เขาทำกุศลแต่ว่าตัวอย่างอันนี้ในสมัยพุทธกาลถามว่ามีไหมก็มีคืออนาถาบินทิกะเนี่ยนะ สมมติว่าพื้นที่เชตะวันเนี่ยพื้นที่ใหญ่มากที่ที่นาถาบินทิกาไปซื้อเนี่ยก็ซื้อซื้อทั้งหมดเลยโดยเอาเงินเนี่ยไปปูทั้งหมดใช้เงินปูเอาระหว่างต้นไม้เขาก็วัดโดยรอบต้นไม้ว่าต้นไม้นี่เท่าไหร่ก็เอาเอ า, เอาเนี่ยมาปูคือหารเฉลี่ยมาแล้วก็ต้องปูทุกตารางนิ้วอย่งนั้นเถอะมันเหลืออยู่ที่หนึ่งคือตรงที่ซุ้มประตูเนี่ยนะบดีขนมา18ดโกดละสิบโกดก็ประมาณร้อแปดิบล้านสมัยนู้นนะ ควายตัวละสองสบาทเนี่ยสมัยนั้นตอนนี้สมัยควายตัวละหมื่นกว่าบาทใช่ไหมสมัยตัวละควายตัวละสองสามไม่กี่บาทเนี่ยน้อยมากแต่งงานนี่ใครแต่งงานโหไปมั่นเจ้าสาวสิบสองบาทนี่ถือว่าแต่งแล้วเสียทีแล้วมั้ง <c oughs> เพระะ่อนก็เขาก็ถวายที่เนี่ยหมดเหลือเหลือบริเวณซุ้มประตูอยู่หน่อยเดียวก็บอกว่ากําลังใช้ให้คนไปขนเงินมาเจ้าเชิดก็บอกเอ๊ะทำไม เศรษฐีทําไมลงทุนขนาดนี้สแสดงว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยแกก็เลยบอกว่าตรงนี้ไม่เอาฉันจะขอจะขอทําซุ้มประตูกันแล้วกันเอาเงินพวกนี้มาสร้างซุ้มประตูทั้งหมดด้วยเจ้าเชษ์เนี่ยลงทุนแรงขนาดนั้นแต่แกเอาเงินค่าบริจาคทั้งหมดนี่มาสร้างซุ้มประตูทั้งหมดเพราะว่าบอกว่าปกติเนี่ยคนที่จะมาลองกับพระพุทธเจ้านะมาเห็นซุ้มประตูก็กลับไปก็ไม่ใช่น้อยนอยากแกปรับวาทากับพระพุทธเจ้าไปเห็นซุ้มประตูเลยกลับเลย กระบอก โ, อโหขนาดซุ้มประตูยังขนาดนี้ข้างในจะขนาดไหนเนี่ยนะก็กลับไป <c oughs> ทีนี้ทําไมอนาถาบินที่กะจึงยอมให้เจ้าเชษ์เนี่ยเอาส่วนแบ่งตรงนี้ไปส่วนแบ่งบุญตรงนี้เขาบอกว่าเจ้าเชษ์เป็นผู้มีชื่อเสียงเพราะเป็นลูกพระราชาอยู่แล้วทีนี้ก็ถือว่าเป็นอํานาจอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนี่นะแล้วก็อีกอย่างคนก็จะได้เอาเยี่ยงอย่างจะได้เยี่ยงอย่างเพื่อที่จะได้ทําบุญต่อไป เพราะฉะนั้นอย่างเอวเมสุตังเยกังสมัยังพระควาสาวะทียังมิหารตีเชตวันเนียนาทปินทิการสาราเมตตโคพระควาเนท่านก็เ อ, เอาเอาเวลาทุกสูตรที่แสดงมาเนี่ยเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างในใ น, ในการที่จะคนเหล่านั้นจะได้ทํากุศลเจริญรอยตามเนี่ยนะเพราะบางคนเนี่ยทำบุญเนี่ยนะจะเพื่อตัวเขาไม่เท่าไหร่เขาอยากจะให้ลูกหลานเขาทําตามเหมนะแบบแผนให้ลูกหลานเพราะพวกนี้จะตั้งวัดเอาไว้ ตั้งวัดว่าตระกูลนี้ต้องทําแบบนี้นะเพราะลูกเกิดมาก็มาทําตามเลยว่าพวกกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มแบบนั้นอย่างวัดในหลายๆวัดสมัยพุทธกาลหรือหลังพุทธกาลมาจะเป็นลักษณะนั้นเศรษฐีก็จะสร้างวัดเสร็จก็สร้างวั ด, ว, ดวัดระน้นนะว่าตระกูลฉันต้องอุปถากวัดนี้ซึ่งในในเขตเชียงใหม่หรือลําปางนี่จะมีปกตินี่นะวัดจากแดงอย่างนะี้ ก็ <C oughs> จากทานก็ไปเป็นสีละกุศลใช่ไหมทีนี้ถ้าเป็นภาวนากุศลโดยทั่วๆไปก็จะยกภาวนาที่เป็นวิปัสนาภาวนานะมาเป็นตัวอย่างเพราะจริงๆแล้วสามารถเจริญสมถะในรูปเสียงกลิ่นรสและโภทะภะได้ไหมคือคนที่จะฝึกคิดแบบนี้ให้เป็นสมถะาภาวนาเนี่ยนะต้องเอากรรมฐาน จำอย่างหนึ่งคือกรรมฐานสี่สิบนี่ต้องจำให้ได้สี 40, ่สิบนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างอนุสติสนะิบอันกะสินสิบอสุภาสิบพรหมวิหารสี่แล้วก็ธาตุสี่อารูปสี่อาหาเรนึงธาตุสี่ ธาตุสีนับหนึ่งอาหารเรเนนับหนึ่งครบสี่สิบพอดีจะเกินั้งน า, างไหใช่ก็ธาตุเขียนทั้งสองครั้งอไม่เกินก็อยู่ไม่ได้แอ้วนะ้าศึกษาอะไรมันสามารถเข้าอะไรได้บ้างเอาก็ธาตุสีแต่ก็เขียนหนึ่งอ่ะเอออรูปสี แม่สี่ิบกว่าจะลงตัวเขาอยาน ก, กันนะแสดงว่ากว่ากว่าจะมีชีวิตอยู่อายุสี่สิปีนี้ก็แสดงว่าใช้ปัจจัยเยอะเหมือนกันนะทีนี้ว่าผู้ที่ศึกษามาสี่สิบปีนี่นะจะน้อมไปเจริญอะไรก็ได้ตามความถนัดของเา้าในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เนี่ยนะอย่างที่กล่าวไปว่าหนึ่งผ้าอาหารที่อยู่ยาสี่ประการเนี่ยน้อมไปเจริญอะไรเอา เช่นน้อมไปเจริญอนุสติพุทธานุสติพระพุทธเจ้าเป็นผ้าอรหันควรบูชาด้วยวัตถุทั้งหลายเหล่านี้เพราะทำให้เพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่บูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นอักระทะักษิณายะบุคคลเป็นผู้ที่บริโภควัตถุเหล่านี้โดยที่ไม่มีกิเลสเลยเนี่ยนะในฐานะว่าพระองค์นี้เป็นผ้าอรหันควรแก่การบูชาอย่างหนึ่งหรือสัมมาสัมพุทโธ บ, บอกพองบอกว่า ผู้ใดที่ติดข้องในวัตถุทั้งหลายเหล่านี้ก็ยังเวียนกลับมาเกิดอีก น, นะก็เจริญบทว่าสามมาสามพุโทโธจารณะเนี่ยง่ายพระองค์เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้โดยที่ไม่ผิดศีลเลยเนะศีลก็ไม่ผิดอะไรอีกอิ world, นทะรีสังวรพระองค์ไม่ถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะในสิ่งเหล่านี้เลยพระองค์เนี่ยตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาในการบริโภคในสิ่งเหล่านี้มีที่หนึ่งบอกว่าเท้าสะก่ายกย่องว่า พระพุทธเจ้าไม่มีฉันทราคะบริโภคปัจใจสี่เลย